<laughs> ¶¶ นนี้ผมก็ได้นั่งอยู่ที่หน้าห้องพักก็ได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวเ ข, เข้ามาที่นี่เสียงดนะังตอนแรกก็คิดว่าอ้อหรืว่านักปฏิบัติของเราทำไมเสียงดังดัเข้าใจผิดแก้คือแขกผู้ที่ไม่ได้รับเชิญอทีแรกก็รู้สึกเห็นใจของนักปฏิบัตินะ ในี่ใจนักปฏิบัติจะต้องไปเชิญกับสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้พบคือมีคนมาปุกบป้าบุบวายที่เขาไม่ได้มาปฏิบัติเช่นเราก็เลยออกมานั่งหน้าห้องก็เห็นว่าเออนักปฏิบัติของเราเนี่ยทําใจได้ดีมากรู้สึกว่าเป็นปกติคนที่บุ่นวายนั่นก็คือคนที่อยู่ภายนอกแล้วก็เจ้าหน้าที่ นักเป็นแบบไม่เคยทุกข์ใจเท่าไหร่โดยเจ้าหน้าที่คอยต้อนคอยไล่นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกจะกังวลมากไปแข่ที่เ้ามาที่เป็นนักท่องเที่ยวนะี่มาที่นี่นี่เราห้ามเขาไม่ได้ครับเพรามีไอท้ที่ต้องมาเที่ยวมาดูแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติเลยทําใจอย่างไรที่ไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่มันไม่ถูกใจเรา เราเป็นนักปฏิบัติเราต้องแก้ปาญะที่ใจเราแก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้ที่สิ่งภายนอกการแก้นสิ่งภายนอกนั้นไม่ในช่วิสัยของนักปฏิบัติเราต้องฝึกที่จะเปลี่ยนจิตใจเราเข้าใจสิ่งภายนอกอย่าไปเปลี่ยนสิ่งภายนอกให้กับถูกใจเราจัดการที่ใจเราง่ายกว่าดีกว่าไปจัดการที่คนข้างนอก นี่เป็นแบบฝึกแบบที่ต้องนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอันที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เขาทำให้เสียงดงังหรือมารบกวนการปฏิบัติของเราเนี่ยผมว่าเขามาสอบอารมณ์เลยนะก็คงจะรู้ว่านี่ที่นี่มีการปฏิบัติธรรมมีการฝึกฝนจิตใจเข้มแข็งทำมาสองวันเนี่ย ใจเรานี่จะมั่นคงแค่ไหนเราต้องสอบให้ผ่านโดยทีย่้องไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับสิ่งที่ไม่ถูกใจเราข้างนอกเขาทําหน้าที่ของเขาแต่เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราไม่ก้าวไายเรามีฐานกันตั้งจิตใจไว้แล้วคือการมารู้ที่การเคลื่อนไหวของกายซึ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกเลย ถ้าเรามีใจิตใจมั่นคงที่มีสติตั้งบั่นอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายมันจะปลอดภัยกับอาการภายนอกทั้งหลายทั้งปวงบางทีก็ต้องดูจิต ด, ดูใจเราบางครั้งเราเกิดความไม่พอใจขึ้นมาต้องมีสติรู้ทันแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปแค่นี้เราก็ได้สติแล้วรักษาใจเป็นปกติแล้ว ยิดเป็นปัจจุบันแล้วได้ปฏิบัติพรมแล้วทำมาเกิดความแม่พอใจแล้วก็รู้อีไม่พอใจก็รู้อีกการรู้แต่ละครั้งเนี่ยมันมีนการเพิ่มคะแนนของสติเรามันเกิดอาการอะไรทางจิตใจเราก็ให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปซะอย่าไปห้ามจิตใจเรามันจะคิดมันจะโกรธก็รู้ทันแล้วก็ปล่อยมันผ่านไป เวลาจิตใจมันปกติก็รู้ว่าอ๋อจิตใจลราปกติเวลาจิตใจมันทิศลุ่มซ่านก็รู้แล้วก็ปล่อยผ่านไปแล้วก็มาตั้งรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายแค่นี้เราก็ได้ปฏิบัติสมบูรณ์แล้วนี่แหละคือการวิสัยของนักปฏิบัติความที่แท้จริงอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบก็คือแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเราเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยเราจะได้กำไร มาที่ตอนเย็นตอนบ่น า, ายๆก็เห็นว่าบางทีมีคนเดินจงกรมอยู่นักท่องเที่ยวมาเดินคู่ก็มีนะมาเดินคู่กับพวกกับคนที่เดินจงกรมก็เห็นอยู่นะเออมันก็เป็นไปได้แต่คนที่เดินอยู่เนี่ยไม่สะทกสะท้านเลยนะพวกเราก็ได้เดินตามปกติเขาก็เดินคู่ก็ดูว่าเราทําอะไรแต่เรารู้ว่าเราทําอะไรแต่เขาไม่รู้ว่าเรากำลังทําอะไร เ, เห็นไหม คุณพ่ อ, เ, อเขียนเคยเปรียบเทียบว่าคนที่ทำชีวิตเป็นปกติเนี่ยคือนักปฏิบัติเป็นส่วนช้าส่วนคนที่มาเดินข้างๆมาว่ามาบน่นมาดูเราเนี่ยเขาไม่รู้เราทําอะไรก็คือสุ น, นัขเหมือนสุ น, นัขที่กําลังเห่าช้าช้างเดินนิ่งไม่เดืดร้อนเลยแต่สุนัขนั้นเห่าไปก็เนื่อ ไ, ไปถ้าเรบโทษธเราก็เป็นสุ น, นัข ถ้าเราไม่โกรดเราก็เป็นชา้าอนโมธนาบุญดีแล้วเราทำใจไว้ดีแล้วไม่ิทีิที่เป็นนักปฏิบัติสองวันแล้วเ <c oughs> ขาบอกว่าเอวาเวลาเดินจกุกงเขาปวดหลังมากแล้วก็อหน้าอาจารย์หน้าตรงเนี้ยกล้ามเนื้อที่หน้ามันสัน่นแล้วก็ชา้า เขาตั้งใจมากเกินไปเขาเดินเล่นเล่นเดินเล่นจะรู้บบาๆอย่ารู้รับตัวอย่ารู้เพ่งไรทีตัวรู้รอบๆรู้รอบๆอย่าไปรู้แบบเพ่งที่ตัวเองนีนสองคำถามที่ว่าเวลาเขาเดินเนี่ยเขารู้หยิบที่ตรงไหนแต่ตอนนี้ตอนนี้บอกให้รู้รอบแล้วเขาเลยบอกว่ารู้รอบๆแล้วรู้ว่าเดินจบให้รู้ว่าเดินให้รู้ว่าเดิน มองไกลๆอันนี้มีอะไรตนนี้กังวลอยู่เพราะกำลังต่อหน้าคนเวลาเดินจงกรมเนี่ยอย่าไปเพ่งโซเดย์นนส่วนหนึ่งให้รู้รอบๆว่ารู้ว่าเดินก็พอละ เ, เราไปฝึกดูก่อนนะ เ, เราฝึกดูก่อนถ้ามีปัญหาแล้วก็มาถามใหม่ผ่นอคนคลยไม่เป็นเขาบอกเบอกผ่อนคลยไม่เป็นอ๋ไม่เป็นเขา ปวัวครังนี้ค่ะเขาบอกว่าเวลาทํางานเวลาอยู่บ้านก็เป็นประจาแล้วหลายหลายคนบอกว่านี่คือเวลารู้สึกตัวดูดูตัวเองได้ดีแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ดูเลยเขาไม่ได้ปวดแล้วปวดอีค่ ะ, ะไม่สามารถในเวลานี้ไม่สามารถปฏิบัติไม่สามารถให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันได้ค่ะอย่าไปดูตัวเองให้ดูว่าตอนนี้เรากาลังทําอะไรอ ให้รู้ว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรแต่ว่าไม่ดูที่หัวเบื่อหัวที่ดูปวดหนักพระดูแล้วจิตมันมันจะดูดเข้าไปนะไมเกรนจะดูดใจเข้าไปให้รู้ว่าไปตอนนี้กําลังทําอะไรมาพอให้ตั้งใจทํางานที่เรากําลังทําอยู่อย่าไปสนใจกับไมเกรนอย่าสนใจกับตัวอรรู้ว่าเราให้เราตั้งใจทําในงานตรงนั้นจุใจปทิบัานแม่เดินมาครหาผมสิเอาละแล้วลุกขึ้นลุกขึ้น นั่งเดินกลับไปนั่งที่เดินนะถามเนื้อเขาปวดทีสะปวดใบเกล็นไหมตั้งใจเดินให้ถูกต้องว่าเรากําลังเดินตั้งใจเดิ น, นไปเดินตั้งใจเดินมาตั้งใจเดินกลับ น, นี่แหละคือการเจริญสติการตั้งใจการเจริญสติเราก็แค่ยกเองคือเขาพูดไปพูดมาเลยทองฟังไม่รู้เรื่องเขาจะพูดอะไรแต่ว่าประโยชน์ล่าสุดคือ เราแค่ยกอย่างนี้สติก็ตื่นแล้วใช่ไหมคะอืม<ต>ไม่มั่นใจก็มีความรู้สึกด้วยควารู้สึก <c oughs> อตื่นนิดหน่อยต้องทําต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยตัวเนื้อมันจะตื่นขึ้นจะชัดเจนขึ้นจะเกจะมีเสียงพูดข้างหู <c oughs> อะอะไรตลอดเลยค่ะอืมค่ะอันนี้สิ <c oughs> เวลาเราเจอสติเนี่ยสิ่งที่รู้สึกตัวเนี่ย ไอ้ตรงนี้ใช่เสียงที่พูดนั้นไม่ใช่แค่กลาเคืนนอนมันมาอย่าไปสนใจกับเสียนั้นนะให้สนใจกับการเคลื่อนไหวของเราถ้าสนใจตรงนั้นเนี่ยมันจะหาเหตุหาผลบอมาปีสองีสามอ๋อแล้วนอนหลับไปแล้วไม่ต้ีื่นจำให้ตื่นอ๋อแล้วก็นอนต่อไปคนอนขยับมือเล่นนอนสิบมือเล่นไปไม่หลับก็ไม่เป็นไร พลิกมือเล่ น, นรู้สึกตัวเรื่องของความคิดเรื่องของเสียงก็ปล่อยเป็นเสียงหนึ่ง อ, อย่าไปห้ามอย่าไปห้าเหตุผลถ้าจะไล่ฟังนะมผมก็เคยนอนไม่หลับมาก่อนสมัยที่เริ่มปฏิบัติใหม่ผมนอนไม่หลับมาก่อ น, อนมีวันหนึ่งแล้วอ น, นอนไม่หลับมันคิดมากผมเคยคิดว่าเอาละเมื่อไม่หลับก็ไม่หลับกัน เราจจากจดสีให้ยันสว่างไปเลยแล้วมันก็หลับไปได้เอิเขาจะมีสองรู้เขาบอกหนึ่งคือตั้งใจรู้สองคือมันรู้ของมันเองอันไหนถูกก็ใหม่ต้องตั้งใจรู้ก่อนแต่ต่อไปพอตั้งใจรู้หน่ะเขาเนี่ยจิตจะรู้ด้วยตัวของมันเองอมไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงไม่ต้องแปลอะไรถูกอะไรผิดให้มันรู้แต่ว่าเออ มันมีสองรู้จบอยู่ตรงนั้นมันจะมีกี่รู้อย่าไปสนใจให้เรารู้ที่หลังน่ารักคือจบตรงนั้นอะบอกว่าบางทีวรายกท่าเร็วเกินไป ม, นมันเครียดเครียดบางทีเขายกช้าหน่อยนะมันเหมือนสมถะ มันจะเป็นสมถะหรือเป็นนิพพานาอย่าไปนสนใจเลยให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วการมันเครียดก็รู้มันไม่เครียดก็รู้จบลงที่รู้นั่นแหละคือถูกที่สุดเพราะว่าเราไปแยกว่าอันนี้สมถะนิพพานาพอเลยเปิดแบบปั๊บมันก็จะคิดเลยว่าอันนี้สมถะนิพพานาใช้เวลาให้รู้สึกเถอะมันจะเป็นสมถะมันเครียดกใ็ให้รู้ไว้มันจะไม่เครียดให้รู้ไว้จบลงที่รู้นั่นแหละคือถูกที่สุด การปฏิบัติเนี่ยไม่มีสมถะไม่มีปรสนาไม่มีถูกไม่มีผิดมีแต่เรารู้ทันในอาการหรือไม่เทั้นเถ้าเราไปแยกแยะอันนี้สมถะอันนี้ปรสนาใจมันจะคิดมากไม่ได้ปฏิบัติหรอกก็บอกว่าเวลาก็เดินจงกลมเนี่ยก็เดินด้วยหายใจลึกๆด้วยแล้วและรีทงทําไก่อนเดินหายใเลยไม่นัว่าเกิเดินไปหายะจลึกๆด้วยอ๋อออใมาใม่ อย่าไปสนใจกับลมหายใจเลยเดินก็รู้ว่าเดินก็จบนะตั้งใจเดินแล้วก็รู้ว่าเดินก็พอแล้วเอาความรู้สึกนี่นแะเป็นใหญ่ไว้อ่าไหนาลองตั้งใจเดินมานี่เดินให้ตรงบรรไดแล้วก็เดินให้ถูกต้องเข้ามานี่สิแล้วก็เดินกลับไปนะแล้วตอนนี้หนูรู้ไหมว่าลมหายใจยาวหรือสั้น เราเดินจงกรมคึ่งชั่วโมงแรกก็จ ะ, ะปวดข้อมือพอคึ่งชั่วโมงหลังก็ดีขึ้นเราไม่ได้ใช้ข้อมือเดินนะแล้วมือเราไว้ตรงไหนอเอางี้นะก็เลยเดิจงกรมเนี่ยมันปวดหัวปวดมือเนี่ยให้รู้ว่ามันปวดให้รู้ว่ามันปวดแล้วเราก็มารู้ตัวการเดินต่อไป เวลามันปวดนี่ก็อย่าเข้าไปเป็นผู้ปวดเห็นว่าอ้อมันปวดผู้ปวดละนี่แหละคือการปฏิบัติถูกต้องอ๋อนี่นคือการปวดอย่าเข้าไ ป, ป็นผู้ปวดแล้วก็ปล่อยทิ้งไปแล้วก็ไปเดินจงกรมต่อไปอเห็นเวทนาเห็นความปวดนะเป็นธรรมะเบื้องสูงแล้วเขาบอกว่าเมื่อคืนเขาฝาันฝันเยอะมากฝันประมาณสิบเรื่องนี่ทงาือโอ้สุดยอดเลยเลยทงถามว่าสุดยอดเลยรู้ว่าสิบเรื่องรู้ว่าสิบเรื่อง เธอแน่ใจสิบเรื่องไหมเขาบอกเพระมันแปดเรื่องแล้วแล้วเล้วบอกแน่ใจว่าแปดเรื่องเขาบอกไม่แน่ใจแต่เยอะมากแล้วเขาเป็นแบบนี้เขาฝันฝันเสร็จแล้วเขาตื่นเขาตื่นนะเสร็จแล้วเขาหลับต่อได้แล้วเขาก็ฝันแล้วเขาก็ตื่นแล้วเขาหลับต่อแล้วก็ฝันแล้วก็ตื่นแล้วก็หลับต่อเพื่อนก็เลยโวยเหาะใหญ่เลยว่าเขาเก่งมากเลยฝันแล้วตื่นแล้วหลับต่อได้ดีแล้วลที่รู้ว่าฝันนะ นี่พอตื่นมาแล้วเนี่ยพรรู้ว่าจิตมันฝันก็รู้และจิตมันสงสัยก็คืนฝันกี่เรื่องรู้ที่ความสงสัยเท่านั้นจะฝันเรื่องอะไรกี่เรื่องอะไรก็ตามเนะี่ยถ้าเรารู้ว่าเออเราสงสัยก็จบนล้วาพวกเราเวลาเรากลางคืนฝันเนี่ยอย่าได้สนใจเลยมันเป็นแค่อาการของจิตจิตมันคิดในตอนเราหลับคือจิตฝัน ตอนกลางวันเราก็คิดนั่นคือจิตมันคิดตอนกลางวันอย่าไปสนใจเลยมันแค่อาการไม่ใช่เรื่องจริงขนาดเวลาเราเจริลสติกลางวันนะเราเดินจงกรมเรายกมือเนี่ยมันยังคิดได้ใช่ไหมแต่ความคิดนั้นไม่ใช่ของจริงของจริงอยู่ที่รู้กับการเคลื่อนไหวอันนั้นไม่ใช่แล้วเวลาเรานอนกลางคืนเราหลับเราไม่มีสติหรอกมันจะฝันยังไงก็เรื่องของจิตที่มันทําหน้าที่แต่เราก็อย่าไปเอาจริงเอาถูกเอาผิด Okay, เอาเยอหัวอะไรกับมนันเลยแค่รู้ว่ามันฝันแล้วเราก็พอแลอ้วเคยได้ ง, ง่วงพยายามลุกขึ้นมาะยกมือแล้วพยายามคุกเข่ายกอ่านนาทีลุกขึ้นมาอานาทีอะไรเงี้ยมันก็ง่วงกันแล้วก็ขาวตลอดรู้สึกสน่าเก่ีย ม, มากเลยเ อ, อ, อไม่พอใจกับตัวเองง่วงค่ะเวลามาเกิดความง่วงก็ถูกแล้วมีใครไม่ง่วงบ้าง ความม่วงปเป็นรื่งธรรมดาถ้าง่วงก็รู้ว่าง่วงเนี่ยเราได้สติแล้วนะอย่าไปห้ามความวง่วงแต่เราจะทำยังไงที่เราจิตออกจากความง่วงให้ได้ไปล้างหน้าล้างตาอย่างมีสติไปล้างหน้าอย่างมีสติมองไกลๆไปเดินที่แจ้งแจ้งที่โลง่งโล่แต่มันก็จะหายง่วงไปเองก็คืนนอนหลับไหม ไม่ไม่ไดีค่ะเพราะว่าสิภาคคนห้องหนึ่งใครทำอะไรก็รู้หมดนะไม่เป็นไรหรอกอความม่วงมีอยู่ให้เรารู้ทันะอย่าอย่าไปไปทุกข์กับความวง่วงอันนี้คือหลุดพ้นจากความม่วงแล้วเป็นทุกข์ไหมเล่นเกมเอชนะความม่วงสิเรื่า ก, การที่จะทํายังไงที่จะจิตอดจากความง่วงให้ได้และต่อไปความง่วงจะน้อยลงไปเองเขาบอกว่าเวลาก็เดินจงกรมเขชอบนะับ เขารู้ว่าไม่ต้องนับแต่มันนับเองในใจดิเราก็เลยถามเขาว่านับครั้งแรกเดินรอบแรกเราว่านับหนึ่งชั่วโมงเลยลเราก็บังนับหนึ่งชั่วโมงมันนับเองออเอออางีส้สิให้มันนับอย่าไปห้ามแม่มันนับอย่าไปห้ามแต่เราไม่ต้องไปสนใจเราเพื่ออะไที่การเดินจงกรมของเราเดินให้ไวยอย่าเดินช้าถ้าเดินชา้าแล้วมันจะนับอย่าเดินยาวจนเกินไปเดินสั้นๆเขาบอกว่า เขาอ่านหนังสือหลวงพ่อเทมบอกให้นั่งตัวตรงแต่หลังเขาไม่ตรงจะทำให้ดูว่าตลงตรงไหมแล้วหลังตรงไม่ตรงกับอุ้รุ ม, มันเกี่ยกันไหมอ๋อถ้ามันเกินเกินเกินไปเนี่ยเรายู้สึกว่าเมือ่อยการนั่งหลังตรงเนี่ยมันมีการนั่งที่ที่ทำให้เราไม่ค่อยเมือเ่อยเหลังกระดูกมันตั้งตรงจะไม่ค่อยเมื่อยจะนั่งได้นานที่นี่ว่า ถเรานั่งท่าไหนแล้วสบายเอาท่านั้นนั่นแหละท่าไหนก็ได้ที่เรารู้สึกตัวได้ก็คือท่านั้นแหละถ้านั่งหลังตรงแล้วรู้สึกตัวโอเคถ้านั่งหลังงอกตับสบายรู้สึกตัวอันนั้นแหละก็ถือว่าเราเป็นการเป็นแบบของเราเวลาเดินเขาจะท่องใช่ต้องท่องคําว่ารู้หนึ่งรู้สองรู้สามรู้สี่รู้เขาจะท่องแบบนี้แล้วก็เวลาเลี้ยวเลี้ยวกับ เขาจะหยุดเราบอกให้ตัวเองรู้ท่องแบบนี้ตลอดอันนี้คือบริกรรมใช่ไหมคะใช่ก็อย่าไปสนใจเลยอย่าไปห้ามมันถ้าจิตมันจะท่องอย่าไปตั้งใจท่องอย่าไปตั้งใจบริกรร ม, มตั้งใจที่ความรู้สึก<ม>เพราะการท่องนั้นยังไม่จริงเท่าความรู้สึกคุณครเวล า, าเดินจั ก, กรมเราจะเห็นต้นไม้เห็นนก เขาคิดได้ไหมเขาเขานั่งอยู่ตรงนี้เขานิ่นถึงที่บ้านเน่นถึงงานเขาคิดได้ไหมแล้วว่าการปฏิบัตินี้คือไม่ให้คิดอะไรเลยให้สมองว่างเปล่าอย่างนั้นหรอคะไม่ใช่เราไม่ได้ห้ามความคิดแต่เราอย่าไปตั้งใจคิดตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิดเป็นเวลาเจริญสติเราเจริญสติเพื่อจิตมันมีความแข็งแรงให้มีกำลัง อีกที่มีกําลังที่มีความแข็งแรงนั้นจะคิดเรื่องต่างๆจะคิดได้ดีมากแต่เวลานี้เป็นการฝึกเจริญสติอย่างไม่ต้องใช้ความคิดเราทําแค่หนึ่งเดียวทําหนึ่งเดียวเนี่ยตินนั้นจะเจริญถ้าทําไปคิดไปมันก็ได้แค่คนละครึ่งให้เรารู้ว่าเวลานี้เราเวลาฝึกสติให้มีกําลังไม่ใช่เวลาคิดเวลาเราคิดเนี่ยเราจะไม่รู้สึกตัวหรอก เวล า, เรารู้สึกตัวเนี่ยเราจะเห็นความคิดเอารู้สึกตัวก่อนเพราะว่าขี้เกียจเห็นเพื่อนข้างๆหลับก็อยากจะหลับบ้างเห็นเ้ากลับห้องก็อยากจะกลับห้องอไม่ค่อยอยากยกมืออยาเดินก็ขี้เกียจนี่ไม่ยากนะเปลี่ยนไปขยันซะ ขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจแล้วก็เราก็มาทําเราต่อไปขี้เกียจอีกก็รู้ว่าขี้เกียจแล้วก็ทําต่อไปต้องฟื้นจิตตัวเองจะไดเอาชนะความขี้เกียจได้ก็คนที่เขาไม่ได้ไปนอนไม่ได้ไปเข้าห้องก็เยอะถ้าเราจะรักดีแล้วก็ดูตัวอย่างคนดีแล้วก็ทําตามคนดีนะคเปลี่ยนเป็นขยันนะมันก็ไม่ขี้เกียจแล้วขี้เกียจก็ทําไปเห็นเขาไม่ปฏิบัติเราก็ทำของเราไป ไม่เห็นใจเลยเพราะคุณเจ้าสาวมาเป็นตัวอย่างผมผู้สาลำบากมาเป็นตัวอย่างมาเป็นเพื่อนของเราเนี่ยเราชี้เกยียรได้หรื อ, อถ้าเราไม่ขยันแล้วก็ใจดำเกินไปแล้วเขาบอกว่าเขฝึกอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหนื่มากเลยอน่าเบื่อด้วยมีอะไรที่ทําให้รู้สึกมีกําลังใจอะไรบ้างไหมที่ให้ทําต่อไปได้หน้าเบื่อมากค่ะเรามาปฏิบัติมาเพื่ออะไร อย่ามีความสุขอ้ยอย่ามีความสุขเนี่ยเราจะมีความสุขเกิดจากการสนุกสนานั้นอันนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะความสุขจากความสนุกสนานดูหนังฟังเพลงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจเลยการมาปฏิบัติเนี่ยคือการมารู้จักตัวเองมารู้จักตัวเองมารู้จักเรื่องของกายรู้จักว่าจิตใจเราเป็นยังไงจิตใจเราเบื่อเราขี้เกียจ แล้วว่าเรารู้ใจเราแล้วพอรู้ใจบ่อยๆเขาเนี่ยต่อไปสิ่ ง, งนั้นเนี่ยมันจะเล็กลงไปใจเราจะเป็นใหญ่มันจะมีความเบิกบานทีหลังเ <c oughs> พราะเราต้องการความสุขตัวอยากได้ความสุขเราจึงไม่อยู่การปฏิบัติลองดูเวลาเราพลิกมือรู้สึกตัวอันนี้ถือว่ า, าใช้ได้แล้ว <c oughs> ยกมือรู้สึกตัวตรงนี้หละ่ะรู้สึกตัวเป็นขณะนี้หละ <c oughs> มันได้ทั้งเหตุ <c oughs> แล้วก็ได้ทั้งผลไปในตัวเลยความสุขมีแบบหนึง่งนอกจากความสุขสกุลนาแล้วเนี่ยเรามีความสุขอย่างหนึง่งสุขที่เกิดจากจิตที่มันปกติอันนี้เป็นความสุขที่เบิกบานต้องทำบ่อยๆทำจนชำนาญแล้วจะเห็นว่าอ๋อความสุขอยู่ที่นี้เองอยู่ที่ใ้ที่ตัวเราเราไม่ต้องอาศัยความสุขจากข้างนอกสุขในใจเราเนี่ยเวลาท เพียงแต่เราเอความอยากได้ความสุขออกซะนั่นคือความอยากแต่ถ้าเรามาปฏิบัติไปเรื่อยๆพอสุขมันจะเกิดขึ้ น, นเื่อยๆต้องฝืนนะฝืนทีอ่อาชนะอารมณ์เองให้ได้คำถามนอกการปฏิบัติขอถามนิดห น, นึ่งยิ่งผสมความสําเร็จในงานรู้สึกปัญหายิ่งเยอะทุกยิ่งเยอะงั้นแสดงว่าชีวิตคนเราเกิดมาไม่ต้องไป ทำงานเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในการงานใช่ไหมคะแล้วทำงานแล้วประสบความสํมเ า, ราเราา็จ ก, ก็ดีแล้วนี่นั่นคืองานข้างนอกทําให้ประสบความสำเร็จ ถ, ถูกต้องแล้วแต่ว่าเราใช้สติใช้จิตที่เป็นปกติเข้าไปทํางานดีกว่าจิตที่เราอยากได้อยากได้เข้าไปทํางานเนี่ยมันจะเหนื่อยความสําเร็จมีสองอย่างสําเร็จจากงานภายนอก กับโซเลจจากใจที่ไม่ทุกข์ข้างใ น, นบางทีงานข้างนอกทำเสร็จไปแล้วทีใจเราก็นอนไม่หลับที่ยังทุกข์อยู่เนี่ยอันนั้นคือโซเ็จแต่ข้างนอกยังไม่พอต้องรู้ว่าใจเราเนี่ยมันต้องสงบต้องเป็นปกติด้วย